กระแสะอที่ใช้คําว่ากระแสะเนี่ยกระแสะเนี่ยถ้าจะแปลแล้วก็แปลว่ามันไหลไปไปไหลไปเรื่อยๆก็เรียวกว่าตามกระแสะถ้าหากว่าเอาไม่ไหลไปก็ทวนกระแสก็เป็นอย่างนั้นทวนี้กระแสะเนี่ยเขาใช้งานกันเยอะ ในปัจจุบันนี่ก็ใช้คําว่าเวลานี้มีกระแสว่าอันนั้นเศรษฐกิจอะไรอย่างนี้เป็นต้นเรอ ม, มีมีกระแสว่าดอลลาร์มันเน่ยขึ้นมานี่โดยกระแสอกระแสโลกะอะไรอย่างนี้ปั่นดอลลาร์ขึ้นเงินเงินบาทตกเรียกว่ากระแส ทีนี้กระแสเนี่ยมันมีทั้งบวกและทั้งลบถ้าหากว่าละลบก็คือกระแสต่อต้านทำให้เกิดความชุมลมวุ่นวายทีนี้กระแสบวกก็คือมีกระแสว่าสนับสนุนการทำอย่างนี้ดีช่วยกันเรียกว่ากระแส อันนี้พูดกันตามปกติตั น, นี้เราที่จะพูดวันนี้ก็คือว่ากระแสจิตเวลาที่เราทำสมาธินี่มันจะมีกระแสความผลักดันของกระแสเนี่ยมันทำให้คนอยู่ที่ไหนก็ต้องไปอยู่ที่ไหนก็ต้องทำอันนี้ถูกกระแสผลักดันผลักดันใ น, ในจิตใจเนี่ย เพราะว่าเขาบอกว่าให้เกิดชะนวนโือกระแสเนี่ยมันจะเกิดเองไม่ได้มันต้องมีชะนวนอันนึงให้เกิดขึ้นในกระแสทางลบก็มีชนวนอันนึงให้เกิดขึ้นกระแสทางบวกก็มีชนวนอันหนึ่งให้เกิดขึ้นและชนวนอันไหนที่เป็นกระแสที่ทําให้อทุกคนยอมรับว่า สมาธิเนี่ยเป็นส่วนสำคัญอเนเชนวนการบวกทีนี้ยังมีกระแสอีกกระแสหนึ่งเขาบอกว่ า, วาไปทำทำไมไม่มีประโยชน์คุณเล่าดีกว่าเล่นไพ่ดีกว่าเล่นไพ่นะนั่งแต่ว่าข้ามตลอดแจ้งก็ได้นี่หรือว่าจะไปเที่ยวอะไรตว อ, อะไรก็ดีกว่า นั่นก็คือกระแสกระแสลบชะนวนนี้คนเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อไปอยู่ประเทศแคนาดาที่ไปพักอยู่ที่น้ำตกนาแอนกร่าโดยที่นั่นเขาเรียกว่าในแอนกรก่าอรันมีกระแสผักดันอันหนึ่งของประชาชนว่า ในน้ำตกในแอนดาล่าเนี่ยในฤดูหนาวเนี่ยคนมันจะหายหมดมันจะมีแต่ฤดูร้อนที่ไม่ร้อนฤดูร้อนของเขาก็คงจะอยู่ในแค่15ดีเกรสก็ถือว่าร้อนแล้ว <c oughs> ถ้าหนาวก็ลบ 30-40 ไปเมื่อลบอย่างนั้นแล้วใครจะไปเดินเดินไม่ไหวมีแต่น้ำแข็ง ก็เกิดกระแสหนึ่งขึ้นว่าจะต้องหาคนมาเดินที่น้ำตกในแอนตาราเนียทั้งฤดูหนาวและฤดูร้อนเมื่อกระแสอันนี้พัดันเข้ารัฐบาลก็จำเป็นต้องฟังกระแสประชาชนว่าจะเอายังไงถึงจะทําให้คนมาเดินอยู่ที่น้ําตกในอันตรา ทั้งฤดูร้อนและฤดูหนาวในที่สุดกระแสหนึ่งก็บอกว่าต้องสร้างบนคาสิโนกระแสหนึ่งก็บอกว่าตั้งบนคาสิโนก็ก่ออาชญากรรมนี่ก็ะ <c oughs> มายความว่าหลวงพ่อก็ น, นั่งอ่านหนังสือพิมพ์เขาอ่ะเขาจะมีบทความอะไรต่ออะไรต่อสู้กันในที่สุดก็โหวต โอดก็ในที่สุดก็โอดโอดขึ้นว่าเสียงข้างมากเห็นว่าจะทำยังไงลงผลที่สุดสู้ไอ้พวกติ่ตั้งคาสิโนไม่ได้ในจำนวนทั้งหมดนี่ต้องการตั้งคาสิโนแปดสิบเปอร์ซนไม่ต้องการเพียงสิบสองเปอร์เซ็นเท่านั้นเองนั่นนัดออกเสียง ในที่สุดแพ้ก็ตั้งบ่อนคาสิโนขึ้นไอ้บ่อนคาสิโนเนี่ยดันไปตั้งเอติดติดก็วัดของหลวงพ่อเอเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนั้นทีนี้วัดของหลวงพ่อก็ดันไปมีหยกก้อนใหญ่เบ้ออยู่ที่นั่นก้อนหนึ่งก่อนมันจะไปเล่นคาสิโนมันก็มาจูบหยกกันเนี่ ย, ยมันก็แปลกเหมือนกันไอ้มันบอกว่า สโตนออฟเทเวเวอร์เนี่ยบอกพวกหินแห่งสวรรค์จูบแล้วได้ไปเล่นกนนารพนันมันได้อันนี้ก็มันก็คงได้บ้างเสียบ้างอ่ะแต่ในที่สุดเมื่อเขาตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยคนเนี่ยมันจะไปน้ำตกในแองกราเนี่ยทั้งหน้าร้อนและทั้งหน้าหนาวน้ำแข็งเท่ร่ไมในตัวนะพวกเป็นกคาสิโนเนี่ย อ่าเวลานี้อร้านอาหารร้านค้าเปิดตลอดไม่งั้นมันสี่เดือนเนี่ยไม่ได้เปิดอ่เพราะว่ามันหนาวอ่าเวลานี้เปิดตลอดปีอย่างนี้เป็นต้นอันนี้พูดกันว่าถึงว่ากระแสถดดันทีนี้มาถึงว่าวันนี้เราจะอธิบายถึงเรื่องกระแสคือกระแสที่ว่าเอ่า ที่ปับดันให้จิตของเราเนี่ยสงบเป็นสมาธิมันจะต้องมีพอเวลาที่เรานั่งสมาธิไปเนี่ยมันนึกคิดแตบันดังนี่เรียกว่ากระแสหนะ้า น, นั่นนะเ้ความนึกคิดเนี่ยมันเป็นกระแสจิตอันหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจึงย่อยความนึกคิดเหล่านั้นเสียให้มันหมดไปเรียกว่า ทวนกระแสแะทวนกระแสก็คือว่าเราจะต้องมาอยู่ในคำบริกรรมอันเดียวอันนี้หมายความว่าทวนเริ่มทวนกระแสถ้าเราตามกระแสเนี่ยก็เหมือนกันกับน้ําไหลไหลไปตามกระแสแต่ถ้าหากว่าทวนกระแสก็เหมือนกับเรากั้นเขื่อนไม่ให้น้ํามันไหลอย่างนี้ก็เรีย ก, กว่าทวนกระแส หรือเรีกว่ตัดกระแสถ้าหากว่าใครตัดได้จิตนั้นก็เป็นสมาธิได้เยอะขึ้นถ้าใครตัดไม่ได้ก็ได้สมาธิน้อยไปหน่อยอย่างนี้อย่างที่หลวงพ่อบอกว่าสมาธิเตื่นสมาธิลึกสมาธิเตื่นก็หมายความว่าเมื่อเราจับพุทธโธได้ เราก็เป็นสมาธิแล้วมันก็นึกคิดอยู่แหละแต่ว่ามันก็เป็นสมาธิจิตเนี่ยมันเป็นสมาธิได้ทำไมถึงเรียกว่ามันนึกคิดอยู่แต่เราก็เป็นสมาธิได้หลวงพ่อจะเปรียบให้ฟังว่าเอเวลาที่เขากั้นเขื่อนเนี่ยวิธีกั้นเขื่อนมันมีหลายอย่าง อย่างเขื่อนภูมิพ้นนี่กั้นเลยมันจะไหลออกมาก็ต่อเมื่อเอถูกควบคุมด้วยช่องที่ปล่อยออกมาอย่างนี้เขาเรียกว่ากั้นเลยอันนั้นอทีนี้ยังนี้เขื่อนอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าฝายน้ําล้นอย่าง น, ง น, น, างนี้เขาจะไม่กั้นเลยกั้นเพียงเอ่ออย่างฝั่งเนี่ยแม่น้ําเนี่ย แม่น้ําเนี่ยก็จะเหลือไว้ประมาณเม็ดหนึ่งหรือว่าเหลือไว้ประมาณสองเม็ดนอกนั้นก็จะกั้นเขื่อนขึ้นปล่อยให้น้ําไหลลงไปอันนี้ก็เพื่อที่ไม่เห็นแก่ตัวมากนักจะกั้นเขื่อนอันนี้ไอ้คนข้างใต้มันก็ไม่มีน้ําใช้เขาก็ตั้งฝายนําร่อนซะมันก็ข้ามไปแล้วก็ลงทุนก็ไม่มาก อย่างนี้เป็นต้นก็เหมือนกับเรานึกฟูโทละ่ะถึงแม้มันจะนึกคิดก็จริงแต่ว่ามันเป็นฝายนาลมยังไงมันก็กั้นมันก็กั้นเขือนได้เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> แล้วทีนี้ว่าถึงว่าจะเล่าเรื่องออมาตั้งแต่ในอดีตมาสักหน่อยหนึ่งว่าใ้ <c oughs> เรื่องของกระแสของสมาธิเนี่ย คือว่ากาจิตของบุคคลทำสมาธิกระแสจิตเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจคำว่ากระแสคือกำลังหรือพลังที่ส่งออกไปควรกระแสหมายถึงตามกระแสที่ส่งไปโดยเฉพาะผู้เริ่มต้นทำสมาธิจะต้องใช้ความพยายามที่จะต้องทวนกระแสเนื่องจากบุคคลพวกทั่วไปเนี่ยตามใจตนเองคือตามกระแส ตามใจตนเองมากเป็นทางไปสู่ความเสือ่อมผู้สามารถตั้งตัวเองได้ในฐานะต่างๆเนี่ยเพราะเขาได้ทวนกระแสจิตคือขยันถ้าจะสังเกตใจของเราก็จะทราบว่าการทำสมาธิต้องใช้การทวนกระแสใจของเราตลอดเวลาเมื่อเราไม่สามารถที่จะทวนกระแสดได้เมื่อใดเราก็ล้มความตั้งใจทำสมาธิต่อไปไม่ได้ แต่ถ้าบุคคลรับผิดชอบตอนเองสูงก็สามารถที่จะสู้กระแสที่มีความรุนแรงในบางครั้งหรือไม่รุนแรงในบางคราวก็ต่อสู้ได้เช่นยังนักศึกษาครูสมาธิได้ต้านกระแสสู้เต็มที่อา้าววันจันถึงสุขฉันจะต้องมานี่คือ ก, การทวนกระแสถ้าหากว่ามาไม่ได้ล้ม เรียกว่ า, า, าถูกตามกระแสะไปแล้วกระแสะของอารมณ์ที่ผักดันอย่างไม่มีตัวตนเป็นเพียงมโนภาพมันมีความรุนแรงเหมือนกันไอ้ที่มันเกิดเป็นมโนภาพเนี่ยมันมันมีความรุนแรงเหมือนกันไม่ใช่ว่ า, อาไอ้ไอ้การเป็นเพียงมโนภาพเนี่ยมันจะไม่มีความรุนแรง เพราะว่าแม้เราจะไม่เห็นตัวตนแต่มันก็มีความรุนแรงสามารถที่จะบังคับเราได้อย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าถ้าเรามองด้วยปัญญาแล้วก็จะทราบว่ากระแสทั้งหลายนั่นมันมีที่เกิดหมายถึงชนวนชนวนก็คือมูลเหตุของความต้องการสมาธิอย่างที่เราเนี่ยได้มีกระแสผักดันให้เราเนี่ย มีท่านวนอยู่ในใจที่ว่าเราจะต้องมาเรียนละเราจะต้องมาศึกษาละเราจะต้องมาทําละอันนี้คืออคือกระแสที่ถูกปลักดันกระแสที่ถูกปลักดันเช่นนี้เขาเรียกว่ากระแสที่มีประโยชน์เนื่องด้วยการรวมตัวกันขึ้นเป็นกระบวนการหมายถึงกระบวนการสมาธิ อันนี้พูดกันเป็นในภาษาแบบเมื่อไอม่กี่ปีมาเ็าเรียกจะมีขบวนการแต่ว่าเราเอาขบวนการนั้นมาใช้คงไม่ผิดเป็นขบวนการสมาธิเช่นหลวงปู่มั่นภูริทัตตะเถระท่านเป็นผู้ก่อชนวนที่เรียกว่าชนวนความดีแห่งสมถะและวิปัสสนา มันเกิดขึ้นซึ่งผู้ที่ร่วมขบวนการโดยมอบตัวเข้าสู่การฝึกฝนอย่างกว้างขวางท่านหลวงปู่มั่นภูริทัตตาเถระที่ท่านได้พยายามสแสวงหาสมาธิก่อนแต่ที่จะเกิดสมาธิที่หลวงปู่มั่นเป็นผู้ได้ก่อฉนวนขึ้นเนี่ยท่านได้ไปเที่ยวสแสวงหาทั่วไปหมด ไปท่านนั่งสมาธิอยู่ที่วัดเรียกอุบลก็ไม่ได้เรื่องแล้วท่านก็เดินทางไปเอธรรมะก็ไม่ได้เรื่องท่านก็เดินทางไปประเทศลาวก็ไม่ได้เรื่องท่านก็ไปรอบไปอาจารย์อยู่ที่ไหนท่านก็ไปเที่ยวแสวงหาเพื่อที่ว่าจะลงข้อยุดติลงตรงไหน และในสมัยนั้นคือสมัยหลวงปู่มั่นที่ท่านยังเยาว์วัยสมัยนั้นก็คืออายุยี่สิบกว่าสามสิบอย่างเงี้ย <c oughs> สมัยนั้นการทำสมาธิจะไม่ดัดืดนเหมือนปัจจุบันคือไปหายากกว่าจะไปหาสำนักสมาธทเนี่ยต้องร่นดันกันไปเหลือเกินแล้วก็ยังมีคำกล่าวกันอีกว่า เวลานี้มกักธรทมพิเศษหมดเขตหมดสมัยแล้วใครทาไปเท่าไรก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าถ้าจะไปทาสักทีหนึ่งก็ต้องขึ้นขันสี่ขันห้าแล้วก็ไปตามไม่ใช่ว่ามีง่ายในสมัยนั้นเรียกว่า<ม>เรื่องของสมาธิในประเทศไทยได้ตกต่ำสึงขีดสุดในสมัยนั้น <c oughs> หลวงปูม่มั่นภูริชธตะเถระท่านทรงไว้ซึ่งคุณธรรมพร้อมด้วยความรอบรู้ในเรื่องการปฏิบัติเป็นอย่างดีปรากฏผลเป็นที่ประจับแก่ผู้ที่เข้ามาศึกษาจึงทำให้เกิดกระแสขึ้นอย่างหนึ่งในยุคนี้ยุคนั้นเกี่ยวกับการทำสมาธิคือเมื่อท่านได้ศึกษาจนกระทั่งมานั่งสมาธิ อยู่ที่ทำสาริกราจังหวัดนครนายกในสมัยนั้นนะมันได้ปรากฏนะปรากฏเห็นช่องทางว่าการดาเนินจิตต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อันนี้เป็นที่แน่ชัดแล้วท่านจึงได้นําเอาข้อธรรมะหรือสมาธิแบบนี้ให้แก่ผู้ที่เข้ามาร่วมขบวนการ เอาพูดให้เป็นยาง น, นัสะแท้ที่จริงก็คือเข้ามามอบตัวเป็นลูกสิ์นั่นแหละกระแสอันนี้จะเกิดขึ้นเมื่อปีสองสี่หกสามสมัยนั้นก็ยังมีเล็กๆน้อยๆต่อมาเนี่ยเมื่อผู้ที่เข้าไปร่วมการปฏิบัติเนี่ยประจับว่าการปฏิบัติอย่างเนี้ยมัน ได้ผลจริงๆแล้วก็กระจางแกล้งจริงๆแล้วก็ได้รับความมั่นใจอย่างจริงจังเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ที่มีศรัทธาก็ได้เข้าไปมอบตัวเป็นลูกศิษย์กับท่านเท่าที่หลวงพ่อไปคำนวณมาเมื่อตอนที่ท่านมรณะค่ปีพศ2492 ลูกศิษย์ที่มาร่วมคือลูกศิษย์หลานศิษย์ลูกศิษย์หลานศิษย์หรวยอะไรเนี่ยร่วมกันทั้งหมดเนื่องในหลวงปู่มั่นแปดร้อยองทั้งหมดหลวงพ่อได้ลงบัญชีไว้เพราะว่าหลวงพ่อเป็นในบัญชีตอนที่พระอาจารย์เข้ามาเนี่ยมองดูแต่ละองค์ละองค์โอโห บางองอย่างนี้ตัวตัวดําไม่ตาเขียวฟื้อย่างนี้ก็มีออนั่นคือหลวงปู่สารอย่างนี้เป็นต้นพระอาจารย์หลวงปู่มั่นเนี่ยท่านตั้งปณิธานไว้อย่างหนึ่งว่าท่านจะไม่สอนคารวะอย่างนี้แต่ท่านจะสอนพระคารว่าท่านจะไม่สอนอหลวงพ่อถามท่านว่า ข้าเราว่าเขาก็สามารถที่จะทำได้เป็นครูบาอาจารย์ได้ทำไมจึงไม่สอน <All right. S 1> ท่านก็ตอบว่าสอนพระองค์หนึ่งเนี่ยพระองค์เดียวนี่สามารถที่จะไปสอนคนอื่นได้เป็นพันเป็นหมื่นเพราะฉะนั้นชีวิตของเราอยู่อีกสามสิบห้าปีท่านก็รู้ว่าถ้าจะมรณะภาพวันไหนเดือนไหนปีไหนของเราสามสิบห้าปีเนี่ยเราจะใช้ชีวิตอันนี้ สอนพระเท่านั้นเพราะว่าพระนี่เองที่จะไปสอนโยมได้เป็นพันเป็นหมื่นเราจะเอาชีวิตของเรานี่ไปสอนโยมไม่ไหวเราจะสอนพระให้พระนี่ไปสอนแทนเราแล้วที่นี้ถ้าหาก่าอย่างนั้นอย่างมีพระที่เขามีความรู้จะไปตั้งอกตั้งใจสอนโยมเหมือนกันกันกบหลวงปู่สอนเนี่จะได้ไหมได้สิคุณก็ทำไปสิถ้าว่างั้น กหว่างนี้ในที่สุดก็กลายเป็นกระแสคือในสมัยนั้นไม่มีการทำสมาธิเลยที่ไหนที่ไหนอ่อาทีนี้เมื่อท่านทำอย่างนี้ขึ้นมาแปดร้อยองนี่ไม่ใช่น้อยนะที่แต่เป็นอาจารย์แปดร้อยอาจารย์เนี่ยไม่ใช่น้อยเลยอ่าท่านเหล่านี้ได้ออกไปทั่วประเทศไทยอออไปทั่วประเทศไทย เมื่อออกไปทั่วประเทศไทยแล้วก็ไปสอนตามระบบเนี้ยคือเด็กก็ทำได้ผู้ใหญ่ก็ทำได้ใครก็ทาได้มันก็เลยเกิดกระแสะกระแสะใหญ่ขึ้นกระแสะคือความคือค่านิยมกระแสะกลายเป็นค่านิยมขึ้นมเมื่อเป็นกระแสะที่มีความทุนแรงสูงนับแต่นั้นมาเนื่องจากเวลานั้นกระแสะ ของสมาธิในประเทศไทยอยู่ในขั้นตกต่ำมากดังนั้นในเวลาต่อมากระแสะการปฏิบัติสมาธิจึงได้พุ่งขึ้นสูงอย่างรวดเร็วโดยการที่ช่องทางสมาธิอย่างง่ายๆพอเหมาะพอดีที่บุคคลทั้งหลายจะทำได้บรรดาผู้ที่ฝึกซือสมาธิอย่างช่ำชองจากหลวงผู่มั่นภูิทัฏตะเถระดีมาก แล้วก็ได้ออกไปเผยแพร่ทั่วประเทศไทยกระแสขลักดันนี้จึงปรากฏสำนักปฏิบัติสมาธิมีมากมายเป็นประวัติการจนถึงกับว่าณที่ใดณที่ใดไม่มีสำนักปฏิบัติสมาธิก็เหมือนกับขาดสิ่งสำคัญไปสักอย่างในปัจจุบันเราจะสังเกตได้ว่า ไม่ว่าสำนักใดสำนักใดถ้าหากว่าไม่มีครูผู้สอนสมาธิหรือไม่ได้ทำสมาธิสำนักนั้นขาดแสดงว่าจะขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งอันนี้คือกระแสที่ได้ตักดันเกิดค่านิยมขึ้น <c oughs> ดังนั้นกระแสที่มาจากการจุดชนวน อันเป็นการสร้างสรรค์จึงเป็นกระแสที่ให้คุณประโยชน์หลุดจากกระแสการทําสมาธิที่มีอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันเพราะฉะนั้นในประเทศไทยเราเนี่ยเราจะไปที่ไหนไปสมาธิได้เรียกว่าไม่ยากขอให้มีศรัทธาต้องการจะไปที่ไหนมีผู้ต้อนรับมีผู้แสดงความยินดีมีผู้สอนให้ มีสถานที่มีอะไรอะไรต่างๆเพื่อที่จะให้เกิดการปฏิบัติขึ้นผู้ที่ไปทำก็จะได้สะดวกสบายเรียกว่าบริการกันเต็มที่การที่มีกระแสเกิดขึ้นมาเช่นนี้นันอ่ะไม่ใช่ของง่ายไม่ใช่ของง่ายถ้าย้อนกลับคืนไปเมื่ อ, อ, อต่ำกว่าปีสองพันสี่หกสิบสามแล้ว ไอ้กระแสอย่างนี้จะไม่มีกว่าแต่ที่จะไปหาที่ทำสมาธิได้แต่ทีกว่าที่จะไปหาที่ทำสมาธิได้แต่ละคั้งหมดชีวิตอย่างเนี้ยเวลานี้ต้องการเมื่อไรที่ไหนเราสามารถทำได้ไอ้กระแสที่ผลักดันที่เกิดขานิยมขึ้นอย่างที่เป็นปัจจุบันนี้เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ ก็ถือว่าเป็นโชคดีที่สุดทำไมถึงเรียกว่าโชคดีที่สุดเพราะว่ามาในปี2540และ2541 เ, เราเกิดสิ่งที่วิกฤตขึ้นมาในประเทศของเราคือเศรษฐกิจเ้าเรียกว่าโลอะคุณออมิคเกิดเศรษฐกิจตกต่าแต่เราดูจิตใจประชาชนเพราะว่า ส่วนมากแล้วผ่านสมาธิกันหลายเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นแม้จะเกิดวิกฤตอันนี้เกิดขึ้นไม่ตกใจอย่างมาเรียนสมาธิได้สบายเพรางนั้นถึงยังไงก็ตาม เ, เมื่อคนเราเนี่ยพอเวลาไฟไม่บ้านเนี่ยนะถ้าหาว่าตกใจเกินขีดเนี่ยกระโดดลงมาจะบตึกตายไปเลย แต่ถ้าไม่ตกใจนะรออีกสักประเดี๋ยวเฮลิคอปเตอร์ก็มารับเราไปอย่างเนี้ย <c oughs> หรือว่าถ้าไม่ตกใจเราก็จะสามารถไปเก็บอะไรต่ออะไรมาได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในวันเนี้ยอย่าไปถือว่าเป็นหลักการนะวันเนี้ย เ, เป็นถือว่าเราอธิบายเสริมเพิ่มเติ ม, เ พ, ม เ, เพราะว่า คำว่ากระแสเนี่ยมันก็อาจจะเข้าไปอยู่ในคำบริกรรมบ้างอาจจะไปอยู่ในความตั้งใจบ้างอาจจะไปอยู่ในความวางใจบ้างหรืออาจจะไปอยู่ในข้อความอื่นๆ อ, อีกหลายข้อความอแต่ทีนี้วันนี้หลวงพ่อกอ็เดินทางไปสีคิ้คิดไปตลอดทางวันนี้มีอะไรจะคุยกับคณะนักศึกษาเม็ดได้ เงินนักได้ก็เอามาคุยกันดังนั้นกระแสที่มาจากการจุดชนวนอันเป็นการสร้างสรรค์จึงเป็นกระแสที่ให้คุณประโยชน์ดุจากระแสการทําสมาธิที่มีอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันการรักษาดําเนินการของพลังกระแสจึงอยู่ที่มหาชนพร้อมใจด้วยความศรัทธาไม่ได้มีการบังคับเกิดขึ้น เกิดขึ้นในจิตสัมดาลอย่างลึกซึ้งที่เป็นผลดีมากจากกระแสนี้เพราะฉะนั้นเราไม่ตำห น, นิตสำนักต่างๆที่สามารถตั้งเป็นสำนักห ล, อ ล, อล่อหลอมจิตใจของคนให้มีสมาธิได้ความคิดความอ่านหรื อ, อมัตต์ ที่เขาเห็นว่าเป็นความดีในเรื่องสมาธิเพราะว่าการทําสมาธินั่นก็เปรียบมันก็ปรุงแกงอใครปรุงแกงอันนี้อร่อยก็แกงก็อร่อยใครปรุงแกงอัน น, นี้อย่างนี้เขาก็อร่อยของเขาออย่างภาคอีสานจะรากก็อร่อยอย่างภาคเหนือจะหั่นเล่ก็อร่อยออย่างภาคใต้ แกงเหลี้ยงก็อร่อยอย่างผักกางอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> คงแกงกะหรีมั <c> ้ท <oughs> ีนี้แกงทั้งหมดเหล่านี้นะเราจะไปตำหนิเขาได้ยัไงก็เมื่อผักดไตก็อร่อยอย่างเนี้ยภาดอีสานเก้าร่อยอย่างนี้าานอยอยนแท้ที่จริงนั่นน่ะก็คือหมูอันเดียวกันปลาอันเดียวกันหน่อไม้อันเดียวกันอ่ะอันเดียวกันทั้งหมด แต่ทีนี้คนละรสคนละชาติเพราะฉะนั้นเออเอาเถอะที่เขาแนะนําสั่งสอนสมาธิเนี่ยจุดมุ่งหมายอันเดียวกันคือความสงบแต่ที่นี้เขายังพูดไม่เป็นตรงที่ว่าจุดมุ่งหมายคือพลังจิตเท่านั้นเองแท้ที่จริงก็คือพลังจิตนั่นเองแต่เขาไม่ได้เอามาพูดว่าพลังจิตอย่างเนี้ย ถึงเขา เ, เมื่อทำลงไปได้สงบสมาธิก็เป็นเป็นสมาธิอยู่แล้วสมาธิก็เป็นสมาธิทีนี้อย่างที่หลวงพ่อได้ตั้งโรงเรียนครูสมาธิขึ้นมาเนี่ยโดยจุดมุ่งหวังเพื่อจะให้เป็นเอกภาพเพราะว่ามีบางแห่ง เขาต้องการอยากจะมาศึกษาสมาธิชั่วคราวหรือว่าศึกษาสมาธิเป็นครบหรือว่ามาศึกษาสมาธิในขณะที่เขาทัวจากประเทศเขามาสู่ประเทศไทยอย่างเนี้ยแล้ว เ, เขาก็ทำหนังสือส่งมาที่วัฒธรรมคุณหนังสือก็มีวัธรรมมงคลไม่สามารถจะรับเขาได้เพราะอะไร เพราะว่าทวนที่เขามาเนี่ยเป็นฝรั่งจะให้เขามานั่งสมาธิกับโยมที่บนสลาเนี่ยนั่งยังไงไหวและทีนี้มาจะเอาห้องน้ำที่ไหนให้มาจะเอาห้องนอนที่ไหนจะเป็นนอนสลาเหมือนโยมอย่างนี้ได้เมื่อไหร่มันก็ไม่ได้ก็บอกว่าหลวงพ่อก็บอกว่าไม่มีทั้งทั้งที่เราก็มีอะทั้งทั้งที่เราก็ สามารถสอนเขาได้อย่างเนี้ยและสถานที่เราก็ไม่พอแล้วก็คนที่จะไปสอนเขาก็ไม่มีหลวงพ่อก็จะติ๊กอองฤทิ์งงูปลาปลางานก็จะไปสอนเขาก็ไม่ได้เลยต้องมาคิดว่าเราต้องทำอันนี้ขึ้นมาให้ได้ด้วยการที่ตั้งครูสมาธินี้สิฮะเรียกว่าวิทยาลัยครู หรืที่เชื่อมีดิเทชันคนแรกนี่ขึ้นเพื่อที่จะเอาหลักการเหล่าเนี้ยให้กับนักศึกษาเนี่ยพากันเรียนเพราะฉะนั้นไอ้ที่หลวงพ่อเขียนเอาไว้ก็ดีแล้วก็ที่เรียนมาก็ดีต้องพยายามจําแท้ๆนอกจากจําแล้วก็ต้องทวนกลับไปทวนกลับมาทวนกลับไปทวนกลับมาเพราะจะมีวันหนึ่งที่นักศึกษาทั้งหลายจะต้องทํางานให้หลวงพ่ออ่า ว่ากันอย่างนี้แหละเฮ้ย hey. <c oughs> <c oughs> อคือว่าจําเป็นที่เราจะต้องมีสถานที่และจําเป็นจะต้องมีวิทยากรที่จะต้องไปเลคเชอร์ให้เขาฟังแล้วเขาอาจจะมาะเพียงหนึ่งวันอาจจะมาสามวันอาจจะมาหลายวันหลวงพ่อจะเลยจัดการบ้านรังสียาบ้านรังสียาเนี่ยหลวงพ่อซื้อไว้ เพราะว่าพระประธานที่พระมาหาเจดีย์เนี่ยท่านไปเข้าฝันหลวงพ่อบอกว่าเออเขาเขา้าฝันจริงๆนะอ่าไม่ใช่แก่้งพูดอ่าทีนี้ไอ้เข้าฝันนี่จะเป็นอธิสมานกา ย, ยังไงหลวงพ่อเขาไม่ทราบละแต่ก็ทราบเหมือนกันแต่คงพูดออจดงแจ้งไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าเมื่อเข้าฝันแล้วว่า หน้าพระประธานเนี่ยต้องซื้อให้หมดถ้าซื้อไม่หมดจะลงโทษว่าไนเอซื้อหมดนี่มันตั้งยี่สิบล้านแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนซื้อของผลดี่สึกไม่มีเงินก็ต้องไปดาวเขาเสร็จแล้วก็เงินจะวางไว้ซื้อได้บ้านสิบหกหลังเมื่อที่หกร้อยตารางวาสำเร็จ มาสําเร็จเอาตอนพระหยกมานี่มีคนมาบูชาพระหยกเยอะ mm. ก็เลยเอาเงินให้เขาไปได้อสําเร็จไปแล้วทีนี้อยู่ต่อมาก็อยู่ปเปล่าๆเวลาเนี้ยอยู่ว่างปเปล่าหลวงพ่อก็เลยให้ mm. นักศึกษาลุนปะธโม mm. คุณประดิษบ mm. ด้วนนําจืดเป็นผู้วางแผนขังทําเป็นโหติน mm. โเป็นสมาธิผู้ใดก็ จะพูดยังไงก็ไม่รู้ว่าจะว่า meditation ครับหรือ ว, ว่ า, า meditation rest house อะไรก็ไม่รู้จะตั้งชื่อยังไงก็เลยพูดจะชักเพ่หเต็นสมาธิไป ก, กั น, นแล้วก็มีที่นอนอยู่จัดนอนได้แ3ดสิบสามห้องแล้วก็มีห้องล็อบบี้อะไรให้คุณอดิศุลนั้งจุดรุ่มปาธโมดีไซน์คือดีไซน์ให้เป็นหัเต็นพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ย หลวงพ่อก็จะทำหนังสือไป่ะเกาหลีบ้างเยอรมันบ้างสวิสเตเซอร์แลนด์บ้างอเมริกาบ้างที่เขาทำหนังสือมาทำังสือไปบอกว่าเวลานี้มีแล้วอย่างเนี้ยทีนี้เนื่องจากว่าหลวงพ่อที่สอนสมาธิเนี่ยอสอนให้หมดทีนี้นักศึกษาที่มาเรียนรูปปัทโมก็ดี มาถึงรุ่นทุกติโยก็ดีหลวงพ่อก็มาดูรายชื่อเอน็นิปริญยาโทกม็มีปรินยาเอ็กก็มีปรินยาตรีกม็มีเอ้เคยอยู่อเมริกาก็มีเอ็นี่ได้หลายคนละอย่างเนี้ยเวลานี้ยมันเรียนเสร็จแล้วอหลวงพ่อก็จะมีวิทยากรพวกเนี้ยมาสอน เ, อเวลาที่เข้ามาสมาธิที่นี่อันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างอันดับหนึ่ง ทีนี้พอหลวงพ่อทำขึ้นมาอย่างนี้แล้วคนก็จะมาแน่นพวกทั่วก็คงอาจจะต้องมาทีนี้เมื่อที่อื่นต้องการเขาก็อาจเห็นที่วัรนมงคลทาได้ที่อื่นก็ทำได้แต่ว่าเป็นทัวสมาธิเขาไม่มีครูสอนเราส่งไปให้นักศึกษาเรามีอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> อันนี้ก็ วันนี้เราก็คงถือว่าคุยกันในระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่หลักสูตรแต่คุยกันไปว่า อ, อะไรที่เรียกว่ากระแสแล้วก็หลวงพ่อมีนโยบายยังไงก็คุยกันไปหวังว่าคงผ่านไปได้วันนั้น <laughs> <laughs> อ่าต่อไปก็ถือว่ามีการถามตอบตารอัธยาศัยของคณะนักศึกษาสงสัยอะไรก็ถามหลวงพ่อได้ก็แล้วกัน <c oughs> ตามอัธยาศัยในฐานะลูกศิษย์อาจารย์เพราะฉะนั้นขอเชิญคุณอัชราโลวัฒนกุลขอเชิญอ่าขอเชิญคุณอัชรา หลางนมัสการท่านอาจารย์จะขอสอบถามเกี่ยวกับที่ท่านอาจารย์ทำโครงการอะไรเมดิเทชันคลับแบบํานองนี้เพิ่มเติมนะคะว่ามันจะเป็นรูปเป็นล่างและจะมีการสอนกันเมื่อไหร่ะคะเนี่ยคำถามคุณประดิษฐ์คุณประดิษฐ์มาเปล่าโอ้คุณประดิษฐ์ไม่มาเนี่ยหลวงพ่อมอบเป็นไปให้บอกว่าคงไม่เกินกว่าหกเดือนนับแต่นี้เป็นต้นไป <c oughs> เพื่จะได้เริ่มดําเนินการต่อไปก็เป็นนาคุณสุชดากุวสาโนนกราบในมัตสก า, าร์พรอาจารย์ปกติดีเช่นถือสายไม่ก็จะตรงเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยจะเลื่อนเรื่องธรรมะเท่าไหร่คงจะเป็นพ่อบำมมีของพระอาจารย์ที่ทําให้ได้เข้ามาเป็นนักศึกษาครูสมาธิที่นี่ อันนี้ต้องขอยกย่องความดีกับเพื่อนสองคนคือคุณกระยาและคุณอัจฉราค่ะที่ักชวนที่มาเรียนทั้งนั้นที่ทางวัดก็ติดรับสมัครไปแล้วสังเกตได้จากตัวเลขคือห้าหนึ่งสองยากจะเรียนถามว่าเรียนมสามาทิศแล้วไม่เคยเห็นอะไรเลยหรือไม่ทราบว่าจะให้ปฏิบัติต่ตอไปอย่างไร นั่งสมาธิไปเรื่อยๆทุกวันเพราะว่าการนั่งสมาธิแต่และวันละวันนั่นคือได้แล้วนับตั้งแต่วินาทีของเราบริกรรมพุโทโธพลังจิตจะเข้าไปสู่ตัวเราแล้วพลังจิตอันนี้จะสะสมในตัวของเรานี่เป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามจนกว่าจะได้ที่เมื่อได้ที่เมื่อไหร่ก็จะรู้เองแต่อย่าถอยหลังก็แล้วกัน จะต้องใช้รงอนอีกท่่คก็เหมือนกับคนเรียนหนังสือก็ต้องเขียนกันไปเรื่อยในที่สุดนะก็รู้อ่านได้เพราะหลวงพ่อเคยพูดไว้แล้วว่าคนเราเนี่ยไอฐานของจิตเนี่ยต่างกันบางคนฐานเล็กบางคนฐานใหญ่ถ้าฐานใหญ่ใส่น้ํามันก็ต้องใช้น้ําเยอะหน่อยฐานเล็กใส่น้ําน้อยนึงมันก็จะเป็น ฐานของจิตใจย่อมตามกันสุดท้ายนี้ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้เพร่ออาจารย์จงมีสุขภาพและงหนาในสมบูรณ์โดยไม่ต้องไปหาหมอฟันอีกและเป็นที่พึ่งของนักศึกษาครูสมาธิทุกๆรุ่นต่อไปกลากขอบคุณค่ะ Thank เ o u very ่ u c h ฮ่าต่อไปขอเชิญคุณอารยาอาพรรัก กลับในวัตการพระอาจารย์ค่ะอยากเรียนถามอาจารย์ว่าเออรุ่นปฐมโมนะฮะที่จบไปแล้วเนี่ยได้เริ่มทําประโยชน์อะไรากาการสมาธิไปบ้างหรือยังคะรุระ่นปฐมโมเวลานี้กำลังซ้อมเคยลังถูกลงพ่อซ้อมเคยเรียนเคยเรียนจบไปแล้วเนี <ś> ่ยเช่นอย่างว่าอวัน อ, อังคารแล้วก็วันพระหัสแล้วก็วันเสาร์วนอาทิตย์ผลงพอจะเรียกมาซ้อมซ้อมความเข้าใจว่าปฏิบัติยังไงต่อไปพอซ้อมได้เรื่องแล้วก็จะเริ่มก็น่าจะได้เริ่มต้นคงไม่ช้าได้ทำงานาจะําอะไรต่อไปอต่อไปขอเชิญคุณสุชัยพัถนะจับ ธมศสการครับอยากจะถามว่าสมมติว่าเราทําสมาธิไปนี้แล้วเราจะทราบยังไงครับว่าจุดของการที่เราจะทําดีทําชั่วยนี่อยู่ที่ไหนหรือว่าอยู่ที่ตัวเราเองครับการทําสมาธิก็เป็นความดีอันหนึ่ง น, นับตั้งแต่เวลาเราทําสมาธินั่นน่ะกุศลก็เกิดขึ้นแล้วเขาเรียกว่าอาวนาไมา่ส่วนจุดของความดีความชั่วนั้นอยู่ที่ เจตนาของใจของบุคคลแต่ละบุคคลเมื่อคิดว่าจะไปขโมยของคนเขาอย่างนี้อันนี้ก็จุดความชั่วเกิดขึ้นเราคิดว่าวันนี้เราจะต้องไปนั่งสมาธิจุดความดีก็เกิดขึ้นนี่คือจุดที่เกิดขึ้นของความดีและความชั่วต่อไปก็ขอเชิญคุณบุญล้อมขออาภัตกราบริการพระอาจารย์ค่ะ ฉันอยากจะถามพระอาจารย์ว่านะคะอย่างคนที่เ อ, อทํางานยุ่งทั้งวันอ่นะคะมีภารกิจทั้งวันกับคนที่ทํางานอย่างเดียวอนะคะแล้วก็มาทําสมาธิคนไหนถึงจะเ อ, อทําสมาธิได้ได้ดีกว่าเออันนี้คนที่ทํางานยุ่ง กับคนที่ไม่ทํางานไม่ยุ่งนักทั้งสองคนนี้มานั่งสมาธิใครจะนั่งสมาธิได้ดีกว่ากันความหมายก็อันนี้ถึงคนที่ทํางานยุ่งเนี่ยบางทีก็ทําได้ดีกว่าคนที่แอบไม่ค่อยทํางานอันนี้ต้องแลกแต่อกําลังศรัทธาของคนนั้นบางคนทํางานยุ่งเนี่ย ได้ระบายอารมณ์ไปเยอะพอนั่งสมาธิเข้าจิตรวมเลยหรือคนที่ทา ง, งานไม่ค่อยมากแต่นั่งคิดสพเพระไปทั้งวันมันก็เลยทำให้จิตใจสงบยากอันนี้นะก็ได้หรือว่าคนทางานยุ่งคิดงานยุ่งปรงไม่ตกมานั่งสมาธิก็ปรงไม่ตกอีกก็เข้าสมาธิยากหรือคนที่ ทำงานน้อยแต่อารมณ์ไม่ค่อยมีมากนักแม้นั่งสมาธิก็กลับดีคือทั้งสองฝ่ายเนี่ยสามารถทําสมาธิได้ดีเท่ากัน <c oughs> ขอขอบคุณค่ะแต่อไปขอเชิญคุณอจฉวามโนใหม่พี่บุญกรรมนมักการนั่นท่านอาจารย์คืออย่างเวลาบางครั้งที่จะจะนอนหลับนะคะก่อนจะหลับแค่สมมติว่าเวลาจะคองอย่างนี้นะคะมันจะเหมือนกับว่ามันจะ ขึ้นมาก่อนมันก็มันออกจากตรงลิ้นปีอะไรย่างเี้นะคะขึ้นมาแล้วมันถึงต้องมาทานยานอะไรงี้ยมันถึงจะหลับอันนั้นคือสุตพลังอํานาจอะไรย่างเี้ยนะคะคือต้องเคลียร์ปลายประสาทของกายหยาบอย่างนี้ยะคะ่ะต้องอะไะการนมัสการน่าจาะคะ่ะคือแบบเวลาจะหลับนะคะถ้สมมติว่าเป็น เป็นหวัดเจ็บคออย่างนี้นะคะอ่าเป็นวัดฮะมันจะพอเริ่มตะหลําบางทีมันจะตื่นขึ้นมาก่อนต้องมาทานยาอะเองมันจะแบบมันจะเสร็จหน้าอกเล้นปีไม่ทราบว่าอันนี้คือเล่เครียร์ายยาไม่ได้หรอไงอันนี้คือการระดับลมที่หลวงพ่อเคยอธิบายไว้แล้วว่าการกําหนดลมหายใจมีความสําคัญถ้าเรากําหนดเอลมหายใจของเราเนี่ย อเวลาการรมปมหายใจพักจิตสงบพอรกรรมปมหายใจพับจิตสงบแล้วพอเวลาที่เราไปนอนมันเป็นหวัดอะไรเนี่ยทีนี้ลมหายใจที่เราทำเนี่ยมันชำนานเพราะหลับกาลมก็เดินสะดวกอาการอย่างนี้จะไม่มีแต่ว่าข้อสำคัญคือพยายามทำจิตกัลมหายใจแล้วก็ไปเป็นสมาธิก็จะแก้ได้ เราจะหายหวัดด้วยน ะ, ะต่อไปก็ขอเชิญคุณพัฒนีศรีรพฒนะกลบนมัสการผ่าจา์ค่ะเอ่อกล่าบเยนถามว่าคือถ่าถนัดถ้านั่งผเพียบเนี่ยจะผเพียบตลอดไปคือก็รู้สึกว่าถ้าขัตมะเนี่ยจะเป็นท่าที่ถูกต้องที่สุดแต่ว่าคัตธรรมะอะไรก็อยูอ่ไม่ได้นานกว่า20นาทีทุกทีเลย ถ้าพระเพียบเนี่ยจะไปนานกว่าเนี่ยคิดว่าควรจะปรับนั่งขัดสมาติพยายาัดนั่งขัดสมาติดีหรือว่าจะนั่งพระเพียบต่อไปดีคะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องนั่งพระเพียบต่อไปอ่ะ <c oughs> ไม่ไม่ผิดอ่ ะ, ะขอบพระคุณค่ะต่อไปขอเชิญคุณธนะพักน์กันเขมรัฐข้าราชการพระจังครับ ผมให้ขอกลับเปียนถามท่านว่าจะปฏิบัติตัวเช่นไหนนึงได้ชื่อว่าเป็นบัวเสบอน้ำครับบัวเฉมอน้ำนั่นต้อบวชเเบือเฉมอน้ำนั่นหมายความว่ากำลังเตรียมจะได้ตัดสรูแล้วพอเฉมอน้ำแล้วก็ มันมีดอกวัวอยู่กลางน้ำเสมอน้ำทนน้ำทนน้ำนั่นเป็นพระอรหันต์เสมอน้ำนี่ยหมายความว่าไม่อยากอยู่เป็นฆราวาสแล้วพิจา <c oughs> รณาเห็นทุกส ม, มุทัยในรสมรรคเกิดมีแต่แก่ใจใตายแล้วอะไรจะเอาไปไม่ได้สละหมดอมองดูผู้ชาย มองดูผู้หญิงก็เห็นแต่อสุภะผู้หญิงมองดูผู้ชายก็มีแต่การป่วยเน่าก็ว่าไปอันนี้ก็อธิบายอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่อยากอธิบายเท่าไหร่รอเพราะว่าก็อยากจะให้โยมเอ็นยมอยู่เยะๆขอบคุณครับอาจารย์ไฟก็ขอเชิญ อ, อ่าสีละครั้งละเนี่ยเอาอีกทีอันช น, นก็แล้วกัน อขอเชิญคุณสุกมูกกรราา เ, เรียนสุกห้าสานึ่งนึ่งกราบบรมสการพระอาจารย์สิทธิ์เรียนถามพระอาจารย์ว่าการปฏิบัติของสิทธิ์นั้นได้ปฏิบัติมาในหลายหลายปีช่วงระยะแรกๆก็มีสมสความศรัทธาเต็มที่เหมือนอย่างนี้ๆๆแหละค่ะแต่ว่าการปฏิบัติก็มีความรู้สึกว่ามีสิตจีนมีน้ํนาตาไหลมีตัวเ บ, บาเป็นบางครั้งแล้วก็บางครั้งรู้สึกว่าตัว่เคลิ้มๆจะลอน มันเป็นบางครั้งยิบหน่อยไม่ได้ไม่ได้มีบ่อยแต่ว่าปิติแ ล, ล้วค่ะน้ําตาไหลมนันก็มีหลายครั้งในระยะหลัลลงๆมาเนี่ย น, นะคะเป็นสิบปีหลังๆมาช่วงท้ายเนี่ยพอจิตกําหนดแล้วไปไปอยู่นิ่งเฉยมันค่อเจ็บแล้วพัฒนาไปถึงไหนไม่ทราบว่าจิตนั้นทำติดขัดตรงไหนบอกพ่องตรงไหนไม่กล้ากรับเรียนถามอาจารย์ค่ะเออจะเป็นชนิดจิตมันเลื่อนขั้นไปแล้วเพราะว่าปิติ หรือว่าอะไรต่างๆนะั้นมันยังอยู่ขั้นหนึ่งพอเลยน้ําตาเ ล, เลยตัวเบาไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าขึ้นขั้นสองอเพราะฉะนั้นเมื่อขึ้นขั้นสองก็ต้องเรียนขั้นสองต่อไปก็คือส่งเสริมพลังจิตนี้ให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอันความสุขที่เกิดขึ้นจะมากกว่าเก่าเรื่องเป็นอย่างนั้นที่จริงแล้วนั่นแหลอจิตไม่ได้ไม่ได้เสื่อมหรือไม่ได้เสีย เพราะว่าการทำจิตเนี่ยมันจะมีการพัฒนาใ น, น, นาตัวมันเองไปตลอดสวัสดีครับขอบคุณจ <laughs> บ <laughs>